ขกราบบูชาพระราตนาทรัยขอกราบบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบน้ำส ก, การพระอาจารย์ไพศาลผู้เป็นประธานและขอกราบน้ำส ก, การพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธรรมิกที่มาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าสุกโต ขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันศึกษาปฏิบัติธรรม <c oughs> ก็นั่งตามสบายนะ <c oughs> ก่อนอื่นก็ขอตัวนิดหนึ่งว่าเนื่องจากตัวกระผมเนตามาเองเออพิ่งบทใหม่ สิ่งที่จะพูดหรือจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองก็มีผิดบ้างถูกบ้างนะก็หวังว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านนะจะได้เมตตาชี้แนะในสิ่งที่อาจจะยังไม่ถูกต้องยังบกพร่องนะเพื่อที่จะได้พัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น วันนี้เป็นวันพระนะแรงแปดค่ำเดือนแดหลังนะตรงกับวันศุกร์ที่สิบสิงหาคมพุทธศักราชรอย่ห้าสิบห้าการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าสุโกโตแห่งนี้เนี่ยนะจุดมุ่งหมายของทุกคนนะก็คงจะมาเรียนรู้ ในเรื่องชีวิตของตัวเราเองพูดถึงชีวิตนี่มันอาจจะกว้างาถ้าจะให้แคบลงมาก็อยู่ที่กายกับใจมีสองอย่างนี้เท่านั้นเองนเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องชีวิตไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนาเกินกว่าที่เราจะเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นชาวบ้านนะทุกคนมีกายมีใจเหมือนกันหมดนะเพียงแต่ว่ารูปแบบภายนอกอาจจะแตกต่างกันออกไปอันนั้นก็เป็นสิ่งสมมุตินะเป็นสิ่งสภาพแวดล้อมภายนอกนะแต่ทุกคนก็สามารถนะที่จะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้ แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญนะ่คนโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญนะไปให้ความสําคัญกับเรื่องของกายเสพเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นชีวิตทุกชีวิตในสังคมไม่ว่าจะเป็นสมัยใดก็ตาม นะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็ตามมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตามโดยส่วนใหญ่ก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของกายเรื่องของวัตถุภายนอกนะเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะเพื่อสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนะเพื่อมาเลี้ยงตัวเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของร่างกายซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละวันเราก็เอาใจใส่กับ ความสะอาดสะอาา้านใร่างกายของเราหาอาหารให้กับร่างกายของเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราได้ละทิ้งเราได้ทอดทิ้งอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตใจเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้แม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินมีเงินทองากาันพอสมควรสำหรับบางคนบางบางกลุ่ม แต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่อิ่มยังไม่เต็มยังไม่พอยังมีความรู้สึกขาดแคลนอะไรบางอย่างอยู่นะซึ่งสิ่งที่ขาดแคลนนั้นก็คือใจนั่นเองนะเราไม่มีความอิ่มใจนะเราไม่เคยที่ใส่สมใจที่จะมาดูแลจิตใจของเราเราไปให้ความสําคัญกับเรื่องของร่างกายซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เรา พอว่าเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะไปแก้ไขยังไรนะก็ทำให้เกิดความทุกข์นะอันเนื่องมาจากเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้หรือไม่เคยได้มาสนใจเมื่อ 3-4 มสี่วันที่แล้วกับผมเนือ ม, มาได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาตนะิที่จังหวัดพิษณุโลกนะก็ได้ทราบว่าเออเป็นผู้สูงวัยนะอายุ ป, ประมาณ80 ีกว่าละนะก็พอดีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าแหวนเป็นแหวนแห ว, วนพลอยที่เป็นของเก่าลูกสาวทำหายเข้าใจว่ากวาดทิ้งขยะไป น, นะแล้วก็ใส่สร้อยก็หายก็เสียดายเป็นของเก่านคนอายุ8ปดสิก็ยังเสียดาย ของหายเนี่ยขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะพวกญาติมิตรก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นห่วงกันเดี๋ยวกลัวจะไม่สบายกลัวจะป่วยนะก็ถีอโอกาสนิ ม, มนต์ตัวกับผมนิตมานะไปพูดคุยให้สตินะเพราะว่าคุ้นเคยกันนะไปคุยกันให้ความรู้สึกตัวนะให้สติกับคืนมานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ไปช่วยได้นะในบางส่วนแต่ก็ยังไม่ถึงหมดสิ้นทีเดียวก็อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่เห็นว่าคนเราเนี่ยเมื่อไปยึดติดกับวัตถุภายนอกนของที่มีค่ามากๆเนี่ยบางทีเราก็ลืมดูสิ่งที่มีค่าก็คือใจที่เป็นปกติในตัวเราเราไปให้ความสาคัญกับวัตถุสิ่งของภายนอก นะมากเกินไปนะจนทำให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยไดนะ้นี่มันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของกายและใจเนี่ยนะเราก็ต้องดูแลทั้งสองส่วนนะในส่วนของกายเนี่ยเข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะให้ความสาคัญอยูนะ่ก็คือดูแลไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนะมื่อหิวก็กินให้พอเหมาะพอดี นะแล้วก็ดูแลทําความสะอาดอนะันี้เป็นส่วนของกายนะที่ดูแลกันแต่ส่วนของใจเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ความสนใจเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเลยก็ได้นะตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนที่ทําให้เราเออลืมนะสิ่งที่สําคัญนะที่มีอยู่ในตัวเราทีนี้ทําอย่างไรล่ะ นะที่เราจะมาดูแลตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของพวกเรานะที่ได้เกิดมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่ได้มาสนใจเรื่องภพนีนะ้และได้ค้นพบนะเครื่องมือนะที่จะใช้ในการเรียนรูนะ้ในการที่จะปรับจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพสมดุลนะอยู่ในสภาพเป็นปกติ นะซึ่งก็ได้ถ่ายทอดนะผ่านครูบาอาจารยนะ์มาหลายรุ่นนะด้วยวิธีการต่างๆนะที่เราเรียกว่าการฝึกจิตฝึกใจหนะรือบางทีเรียกเป็นภาษ า, าพาะว่ากรรมฐานนั่นเองนะสำหรับในส่วนของที่วัดป่าสุขโตเนี่ยนะก็โดยหลวงพ่อคำเขียนนะก็ได้นำเอาวิธีการนะที่ท่านได้เรียนรู้นะจาก หลวงพ่อเทียนนามาเผยแพ่ที่นี่นะแล้วก็ได้จัดสถานที่นี้ไว้เป็นสถานที่เพื่อการฝึกปฏิบัติการเจริญสติกนะซึ่งผู้ที่มาที่นี่นะใหม่ๆเนี่ยเขาคงจะแปลกใจนะว่าปกติการฝึกกรรมฐานก็ดีการฝึกจิตก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคย ก็คือจะต้องนั่งหลับตานะมีคำบริกรรมหรือไม่มีคำบริกรรมก็ตามนะหรือบางทีก็ใช้ลมหายใจนะเป็นเครื่องมือนะในการที่จะปลุกความรู้สึกตัวหรือทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเรามาที่นี่เนี่ยนะก็จะเห็นวิธีการที่แตกต่างออกไปนะไม่ต้องนั่งหลับตาลืมตาเผชิญกับ สิ่งแวดล้อมภายนอกนะแล้วก็อาศัยการเคลื่อนไหวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่เราเรียกว่าการเจริญเติแบบเคลื่อนไหวเอ่อวิธีการนี้เนี่ยนะเป็นวิธีการที่เริ่มต้นได้ง่ายนะแล้วก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนะเท่าที่ประสบาการณ์ตัวกระผมฤทธิมาได้เรียนรู้แต่ก่อนนั้น เ, เรียนรู้ ด้วยวิธีการใช้ลมหายใจนะเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือนะก็คือที่เรียกว่าอานาปนานสตินั่นเองซึ่งการฝึกอานาปนาสติเนี่ยนะก็ทําให้มีจิตใจที่สงบนะมีปิตนะิจากการนั่งหลับตาแล้วก็รู้เท่าทันนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวกระผมฤทธามาเองนั้น สนใจนะที่จะเรียนรู้สิ่งที่มีความสําคัญก็คือเรื่องของจิตใจนั่นเองแต่ก่อนเราเรียนในระบบการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องพวกนี้นะเป็นความรู้นะเรื่องข้างนอกมากกว่าเป็นความรู้ในเรื่องของร่างกายซะเป็นส่วนใหญ่เป็นความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับโลกภายนอกแต่โลกภายในก็คือจิตใจเนี่ย นะไม่มีพูดถึงพูดถึงก็น้อยมากนะเมื่อเราได้มาฝึกอนาปปนสติเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าเออมันมีอีกส่วนหนึ่งนะนะที่เราจะต้องสนใจใส่ใจนะก็คือจิตใจของเรานั่นเองนะโดยเฉพาะจิตใจของเราเนี่ยออมันไม่อยู่นิ่งนะแล้วก็มันก็มีโอกาสที่เราจะไม่สบายได้ง่ายกว่าร่างกาย ความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายเนี่ยอาจจะนานๆนสักครั้งหนึ่งนะเป็นแต่ความเจ็บป่วยทางจิตใจเนี่ยนะมันเป็นได้ทุกขณะนะเมื่อเราเผลอสติหรือเราไม่รู้นะเราไม่รู้เท่าทันนะบางทีก็ดีใจบ้างบางทีก็เสียใจบ้างบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็ฟูบางทีก็แฟบนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้สังเกตนะเราก็จะไม่รู้ ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโรคภัยแค่เจ็บอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันนะความที่เราไม่ได้ใส่ใจหรือเราไม่ได้สนใจนั่นเองนะบางครั้งมันก็เลยสร้างความเคยชินนะที่ให้เราเนี่ยนะรักรักสุขเกลียดทุกข์นะพอมีสุขก็อยากให้มันอยู่กับเรานานๆพอมีทุกข์ก็ไม่อยากให้มันอยู่กับเรานะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์เป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้น นะบางทีเราก็ผลักสายออกไปบางทีเราก็พยายามดึงเข้ามานะเราหลงลืมอีกสิ่งหนึ่งไปก็คือสภาพใจเป็นปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เราหลงลืมไปนั่นเองจากการฝึกอานาปนาสตินั่นเองนะก็ได้พยายาม เรียนรู้ศึกษามาเรื่อยๆแต่เนื่องจากการฝึกอนาปนาสติของเรานั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่เต็มไม่รอบไม่ครบถ้วนนะก็เลยได้ผลเพียงแค่มีความสงบนะในจิตใจเท่านั้นเองนะตอนหลังเนี่ยได้มีโอกาสนะมาเรียนรู้กับหลวงพ่อเทียนนะด้วยการจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะก็คือการ ยกมือสร้างจังหวะสิบจังหว ะ, ะการเดินจงกรมตรงนี้ในเบื้องแรกเนี่ยตัวกรผมฤตมาเองก็ไม่เข้าใจและยิ่งไปอ่านหนังสืออะไรเล่มเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการฝึกพิปัสนาเนี่ยต้องเข้าไปดูใจที่มันคิดมันนึกนมันคิดมันนึกอะไรก็ให้รู้ให้ตามให้ตามไปดู นะตามไปดูจนมันจบนะก็เรียกว่าตามดูความคิดนะซึ่งอตอนนั้นก็ไม่เข้าใจนะมาฝึกเจริญสติสร้างจังหวะเนี่ยก็ยังไปดูความคิดนะก็คือไม่ได้มาสนใจหรือไม่ได้มารู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวชัดเจนนะักนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้บางทีเราก็มึนหัวนะเพราะเราตกไปอยู่ในความคิดแล้ว นะเราไปจมอยู่ในความคิดเราตามความคิดไปนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหนังสือบางเล่มครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยบางทีท่านก็พูดกับคนในสภาวะหนึ่งแต่เมื่อเราไปอ่านหนังสือก็ดีไปฟังเทปก็ดีเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้นและเราก็ไปจับฉวยเอามาทามาดูจิตดูใจมาดูความคิดเลย โดยที่ความรู้สึกตัวที่กายของเรายังไม่ชัดโชคดีว่ามีครั้งหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนท่านลงไปช่วยหลวงพ่อเทียนจัดอบรมที่วัดสนามในแล้วก็ในระหว่างการที่เราฝึกอยู่เนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียนถามท่านแล้วก็ได้เล่าอาการให้ท่านฟังว่าเราจเจริญสติเราดูจิต ด, ดูใจเราตามความคิดไป นะแต่ทำไมมันมึนหัวนะมันไม่เกิดความโป่งโล่งนะมันไม่เข้าใจนะหลวงพ่อความเขียงก็บอกโอไม่ได้แล้วนะอย่าเพิ่งไปทำอย่างง้านนะอย่าเพิ่งไปดูความคิดอย่าเพิ่งไปดูจิตดูใจนะให้กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนนะกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวมันจะคิดมันจะนึกอะไรอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะให้กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อน จากตรงนั้นจากคำพูดตรงนั้นเพียงประโยคไม่กี่ประโยคเนี่ยเราเอาไปลองทำนะพอมันทำไปนั่งสร้างจังหวะไปเดินจงกลมไปมันเกิดความคิดแวบอะไรขึ้นมายังไม่สนใจอย่าเพิ่งไปตามมันความคิดกลับมารู้สึกตัวที่มือเราเคลื่อนเราไหวที่กายเราเดินที่เท้าเราเดินนะตรงนี้ให้ความใส่ใจสนใจตรงนี้ นะปรากฏว่าอาการที่เราเคยหนักเคยเครียดเคยมึนเนี่ยมันหายไปเลยมันโล่งขึ้นมาโอ้ตรงนี้นี่เนาะนะที่เราเออเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันก็ไปตรงกับมหาสติปัฏฐานสูตรนะที่เริ่มต้นที่กายานุปัสนาสติปัฏฐานนะแต่ก่อนนี้เราไปดูจิตเลยนะเรียกว่าจิตานุปัสนาสติปัฏฐานเล่นกระโดดข้ามขันข้นไปเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็ทำให้เราพัดหลงได้ง่ายเมื่อมีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวชัดเจนตรงนี้จะต้องทำบ่อยๆจะต้องทำเรื่อยๆจนมันเป็นนิสัยมันจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาชัดเจนความรู้สึกตัวที่ชัดเจนในตัวกระปุลมุตตมาได้พบเมื่อตอนปี2อพนตอนนั้นไปบวชอยู่กับหลวงพ่อเทีย น, นที่วัดโมก นะช่วงนั้นก็ฝึกกัน อ, อย่างต่อเนื่องนะ เ, อเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ได้บวชเนี่ยก็เป็นเวลานะที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้อย่างต่อเนื่องนะแต่ละวันเนี่ยกิจสำคัญหรืองานสำคัญที่เราจะทำก็คือเรื่องกรรมฐานนะงานส่วนรวมก็มีส่วนที่เราจะทำนะการคุกรีก็มีน้อยนะในสมัยนั้น นะส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างปฏิบัติกันทำเจริญสติสร้างจังหวะเดินจงกรมนะการทำอย่างต่อเนื่องการทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดผลจริงๆนะเกิดผลก็คือความรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นมานะความรู้สึกตัวที่ตื่นขึ้นเนี่ยมันก็จะสนใจสิ่งที่เราไม่เคยสนใจนะเช่นการกระพริบตาการหายใจ การฝึกอนาปนาสติที่เราเคยฝึกแต่ก่อนเนี่ยเออมันกลับมาได้เรารู้สึกกับลมหายใจที่เกิดขึ้นชัดเจนลมหายใจเข้าหายใจออกหรือแม้แต่ลมเย็นๆที่พัดมาถูกผิ้วหนังเราก็เออมาสัมผัสกับตรงนี้อาหารการกินที่แต่ก่อนเราเคยกินไปคิดไปเราไม่ได้สนใจเรารีบๆกินไปเคี้ยวไปให้มันหมดๆมดไปเท่านั้นเองก็เริ่มมาใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ นะเราเคี้ยวเราลิ้มรสเราสัมผัสกับอาหารนะเคี้ยวให้แหลกละเอียดนะก็อาจจะใช้เวลาชากว่าปกตินิดหนึ่งนะแต่เราก็ได้ฝึกสตินะกับการกินนะแล้วก็ได้สัมผัสนะกับกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไมนะ้ที่มันพัดโชยมานะแล้วก็ ตรงนี้มันเลยทำให้เราเหมือนกับว่าเรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะแต่ก่อนเราไปอยู่ในความคิดซะเป็นส่วนใหญ่เราไปคิดถึงอดีตพรุ่งนี้จะทำอะไรหรือบางทีก็ย้อนระลึกไปถึงอดีตบางทีคิดไปถึงอนาคตว่าเราจะทำอะไรเราจะบวชอยู่นานไหมเราจะต้องไปทำอะไรนะแต่พอเรามีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยอดีตอนาคตมันก็มีแต่เราไม่ได้ไปสนใจมัน นะไม่ต้องไปวางแผนล่วงหน้ามีชีวิตอยู่ไปวันวันหนะึ่งประเชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขไปจากการที่เรามีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆทำบ่อยๆทำเรื่อยๆความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแรกๆเนะี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจถ้าเราทำบ่อยๆทาเรื่อยๆความรู้สึกตัวที่กายชัดเนี่ย มันจะมีอำนาจที่จะไปต่อรองกับความคิดเราจะไม่ถลํมลงไปในความคิดเราจะไม่ถลํมไปในอารมณ์และเราจะเริ่มเรียนรู้นะความรู้สึกสุขทุกข์ความเป็นปกติของใจชัดเจนมันจะกลับมาความเป็นปกติได้ง่ายขึ้นเรื่องที่คิดที่นึกมันมีอยู่แล้วมันมีมันเกิดขึ้นนะเราก็เห็นทันมันรู้ทันมัน แต่ก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำบางทีมันก็ไม่ถึงมันไม่ได้รู้ทุกครั้งหรอกนะมีรู้บ้างเผลอบ้างนะแต่เมื่อเราพัฒนาไปเรื่อยๆมันจะรู้มากกว่าเผลอนะหรือแม้แต่เผลอเราก็รู้ว่าเผลอมันเผลอไปไม่นานนะมันก็กลับมารู้สึกตัวได้ทันนะตรงนี้ก็คือว่าความรู้สึกตัวรูอสติเนี่ยนะมันมันทำงานได้ดี นะแล้วก็มันก็ฉับไวขึ้นประสิทธิภาพของสติเนี่ยเราจะสังเกตได้ก็คือมันฉับไวมันจะกลับมาที่เนื้อที่ตัวได้เร็วนะนี่เป็นเป็นสิ่งที่เราจะสังเกตจากการฝึกเพราะฉะนั้นจากกายนะมันก็เข้าไปสู่ใจนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยเรียกว่าเอาสิ่งที่ เราจะเรียนรู้สิ่งที่ไม่มีตัวตนจากสิ่งที่มีตัวตนนะก็คือแทนที่เราจะไปดูจิตดูความคิดเลยเนี่ยเรามาดูที่กายเคลื่อนไหวแล้วมันจะเป็นสะพานเชื่อมเพราะกายกับใจนี่มันจะติดกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น เ, เครื่องมือเป็นเทคนิคนะที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อเทียนท่านได้ค้นพบนะแล้วก็ได้นําเสนอนะแล้วก็เหมาะกับยุคปัจจุบันนี้ ยุคปัจจุบันนี้เราต้องเคลื่อนไหวเราจะต้องเดินไปเดินมาเราจะต้องลืมตานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมาะมากกับยุคปัจจุบันนะก็ตรงนี้เมื่อรู้กวายรู้ใจแล้วนะเราก็ต้องดูบ่อยๆทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่บอกว่าดูดูเนี่ยนะบางทีคำพูดมันอาจจะพูดได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือความรู้สึกตัวนี้เองเป็นตัวดูอันนี้เป็นตาวิเศษ นะซึ่งหลวงพ่อคำเขียนใช้คำคำนี้ซึ่งตัวกระผมได้ทามาเองก็รู้สึกชอบใจในคำคำนี้คนเรามีตาสองตานะเป็นตาเนื้อที่มองเรียนรู้โลกภายนอกนะเรียนรู้เรื่องกายนะเรามีตาภายในนะก็คือความรู้สึกตัวนี้เองนะที่เรียนรู้เรื่องภายในตัวเรานะตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันนะที่คนในยุคปัจจุบันนี้ลงลืมไปหนะรือว่าทอดทิ้งไป จากการที่เราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะทำงานของมันเองโดยอัตโนมัติการปล่อยวางจะเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องไปปล่อยวางเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเคยอ่านหนังสือบอกให้ปล่อยวางปล่อยวางไอ้มันปล่อยวางยังไงนะคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันต้องอาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละการที่เรามาฝึกเนี่ยจะเป็นห้าวันเจ็ดวันก็ดีแล้วมาฝึกปล่อยฝึกวางวางความคิดเพราะนั้นในระหว่างฝึกเนี่ยนะคิดอะไรก็ทิ้งให้หมด นะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาผ่านผ่านอย่าไปติดนะกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลังนะเป็นกําลังสําคัญนะที่จะทำให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางเพระาะฉะนั้นคนที่เคยหนักหัวคนที่เคยเครียดเนี่ยเมื่อมาได้ฝึกอย่างนี้เนี่ยก็จะสัมผัสนะว่าเออใจมันเบานะใจที่เคยหนักก็เบานะตรงนี้เนี่ยก็ได้เครื่องมือแล้ว นะเมื่อเรากลับไปสู่โลกเราก็ใช้ความรู้สึกตัว เ, นะเป็นส่วนที่เราจะเอาไปใช้นอกจากการฝึกในรูปแบบแล้วนะก็ควรจะมีความรู้สึกตัวกับการใช้ชีวิตประจาวันนะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะตื่นมารู้สึกตัวกระดิกมือกระดิกเท้านะค่อยๆลืมตาล้างหน้าล้างตาสัมผัสกับความเย็นของน้ำ แปลงฟันนะด้วยความรู้สึกตัวแต่ก่อนเราเคยแปลงฟันไปคิดไปพุ่งนี้เดี๋ยวเช้านี้จะต้องไปทําอะไรอันนั้นอันนี้นะแต่พอเรามารู้สึกตัวกับการแปลงฟันเนี่ยใจเราก็จะอยู่กับเนี่อกับตัวแต่ยังไม่ต้องไปคิดโครงการอะไรทั้งหลายนะมาไหว้พระสดม น, น่ะถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยหลังจากเราทําวัดเนี่ยใจิตใจมันรู้สึกสบายโปร่งโล่งนะอันนี้ก็เป็นเป็น สภาพของอสตินะที่เราจะสังเกตได้นะจากชีวิตประจำวันของเรานะการฟังนะด้วยสตินะก็จะได้สาระนะได้ประโยชน์นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจนถึงการไปขบฉั น, นการดื่มการกิ น, ก า, านการขับถ่ายแม้แต่การขับถ่ายเราก็จเจริญสติได้นะอยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะจปะปัสสาวะอุจจาระ นะเราก็มีความรู้สึกตัวนะมันก็จะทําให้ทําอะไรพอเหมาะพอดีนะไม่เกินไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนอกจากการฝึกในรูปแบบแล้วเนี่ยนะส่วนสําคัญก็คือความรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันตรงนี้จะทําให้เกิดการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะที่เรียกว่าการเจริญสติต่อเนื่องแบบลูกโซ่นะถ้าทําอย่างนี้ได้บ่อยๆนะมันจะเกิดผล นะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่สังเกตคนใหม่ๆเนี่ยนะบางทีก็ตอนอสร้างรูปแบบทำรูปแบบเนี่ยก็ตั้งใจกันดีแต่พอเลิกปุ๊บ ก, ก็ไปคุยกันเลยนะสติที่เคยฝึกมาก็หายหมดเลยนะตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะเพราะว่าเราเราไปเข้าใจว่าการเจริญสตินั้นทำกันในเพียงรูปแบบนะพอเลิกพอเสียงะระฆังเสียงลายบอก เหมือนหมดยกโอ้สบายใจนะก็คุยกันนะสติก็ไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทำมันก็เลยเนิ่นช้านะมันก็เลยไม่ไม่เกิดผลนะอย่างที่ควรจะเป็นนะนี่เป็นสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ตัวเองนะลองผิดลองถูกนะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะบางทีอาจจะมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องไปบ้างนะก็หวังว่าครูบาอาจารย์จะได้ชี้แนะนะ เพราะนั้นเป้าหมายของการเจริญสตินั้นเราไม่ได้เพื่อสุขหรือทุกข์นะแต่เพื่อสัมผัสหรือกลับคืนสู่ความเป็นปกติของใจนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นที่พักที่แท้จริงนะของคนเรานะเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นมีอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันแล้วก็ผ่านอย่าไปจมอยู่ในอารมณ์ต่างๆแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าไปมองตามใจที่เราต้องการหรือใจที่เรานึกอยากจ ใ, ให้มันเป็น นี่ก็เป็นสิ่งที่นำเสนอแล้วก็เล่าสู่กันฟังก็คิดว่าพอสมควรกับเวลานะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอากุลพระศรีรัตนตรัยนะก็คือพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์นะที่มีอยู่ในตัวเรานะก็คือความรู้ตื่นเบิกบานที่มีความเพียรพยายามของทุกท่านนะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสกโตได้เรียนรู้ ในเรื่องของการเจริญสติได้เรียนรู้เรื่องของตัวเราเองด้วยความเพียรพยายามของทุกท่านเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบพบเห็นความเป็นปกติของใจในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร